144การปฏิบัติที่ชื่อว่าปัจจุบันต้องมีผัสสายัตนาหกซึ่งแตกต่างจากปฏิปชาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสามัญที่รู้กันได้ทั่วไปในยุคโน้นและมาถึงยุคนี้มันก็ได้ผิดเพี้ยนในหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธไปแล้ว ไปยึดถือเอาปฏิปทาเหมือนของเดียรถีเขามีเขาเป็นในยุคโน้นกันไปหมดแทบจะไม่เหลือสัมมาทิฐิแล้วในยุคนี้ก็คือหลับตาปฏิบัติและตักกีวิมังสีอันจมอยู่ในอดีตกับอนาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ในคำสอนของพระองค์ว่าอย่างนั้นมันมิฉาทิฐิ พระวจนะที่ย้ำยืนยันในพระสูตรต่างๆนั้นก็คือพระองค์ทรงประกาศการปฏิบัติทางเอกของพุทธเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธินั้นในพระไตรปิฎกเล่ม9ก้าก็ให้ปฏิบัติลืมตามีชีวิตเป็นผู้ตื่นสามันมีผัสสะยตนหกทำงานอยู่ตามปกติตรัสไว้ชัดว่ามีจุลศีล มัชมาศีลมหาศีลนี้แหลเป็นศีลของพุทธมาแต่ดั้งเดิมและถ้าหลับตาจมอยู่กับอดีตอนาคตได้แค่เจโตสมาธิหรือเป็นนักตรึกตกกักีเป็นขบคิดวิปัสสีนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ62ตามพรหมมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกของพระสูตรเล่มหนึ่ง ต้องประพพืศีนของพุทธคือจุลศีลมัชฌิมาศีลมหาศีลให้เจริญเป็นอธิศีลสิกขาและปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธิด้วยการปฏิบัติมัรเกตองค์ไม่ใช่ให้หลับตาปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธินั่นคือปฏิบัติให้เกิดอธิกิจสิกขา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281ซึ่งปฏิบัติได้ทั้งในขณะทำงานอาชีพสัมมาอาชีวะทั้งในขณะทำการงานอยู่ทุกกรรมกิริยาสัมมากรรมตาทั้งในขณะพูดสัมมาวาจาทั้งในขณะ นึกคิดอยู่สัมมาสังกัป่ะแล้วจะเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาโดยปัญญานั้นจะเกิดได้เป็นปัญญีสีปัญญาพละก็เพราะมีธรรมวิจัยสัมโพธชงจึงจะเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซอนเนื่องจากการปฏิบัติมักอันมีองค์แปดนั่นเอง พระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ258ไม่ใช่ให้หลับตาปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธิอยู่ในผวังแล้วจะเกิดปัญญาผุดขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างต้องมาแต่เหตุ